ในการปฏิบัติธรรมเพื่อมรักผลนิพพานนี้ผู้ปฏิบัติต้องพร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างไปให้หมดพร้อมที่จะสละลาบยศสรรเสริญพร้อมที่จะสละความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย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 เพาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปดังนั้นถ้าเราต้องพัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่มีคุณค่ากว่าทําไมเราไม่ทํากัน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 ทำได้น้อยและอาจจะไม่พอเพียงต่อการให้เกิดผลขึ้นมาก็ได้ดังนั้นผู้ที่ปรารถนามรรคผลผนิพานจึงจำเป็นที่จะต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างไปในเบื้องต้นก็ฝึกสละไปตามกำลังที่สามารถทำไปได้ก่อนตอนนี้ มีอะไรที่สละได้ก็สละไปแล้วพยายามสละต่อไปอีกจนกว่าไม่มีอะไรที่จะต้องสละสละลาบยศสรรเสริญสละความสุขทางต า, งางหูจมูกนิ้งกายไปทําไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีกําลังที่จะทําเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต้องปฏิบัติ ไปทั้งสามส่วนเลยทานก็ทําศีลก็รักษาภาวนาก็บำเพ็ญเจริญถ้าได้มีการบําเพ็ญภาวนาความเจริญนี้จะมีการคืบหน้ามากมากกว่าการทําทานรักษาศีลเพียงอย่างเดียวจะไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่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 โลกุตระทำได้ไปได้แค่ระดับสวรรค์ชั้นเทพเท่านั้นถ้าทำบุญทำทานรักษาศีลห้าถ้ารักษาศีลทำทานด้วยรักษาศีลแปรักษาศีลแปดแล้วก็ภาวนาด้วยก็จะไปสู่ชั้นพรหมโลกได้สมาธินี้เป็น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 เวลาออกจากสมาธิมาแล้วมาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่มีกิเลสตัณหาออกมาสร้างอารมณ์หดหูก็จะสามารถสอนใจให้จำไว้ได้นานๆต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนไม่หลงไม่ลืมจนยอมรับความจริงได้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 พาใจไปคิดในทางให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดให้ติดอยู่กับ ก, บการอยากอยู่ไปนานๆอยู่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอจากสมาธิแล้วมาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายใจก็จะไม่รู้สึกหดหู่แต่อย่างใดกลับมีความ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 เพื่อที่จะได้มีกำลังใจที่จ ะ, จะเจริญปัญญาต่อไปเวลาที่ออกมาจากสมาธิต้องพิจารณาอย่างนี้สลับกับการเข้าสมาธิไปจนกระทั่งไม่หลงไม่ลืมมีความรู้นี้อยู่ควบคู่ไปกับใจเสมอเห็นร่างกายของใครก็จะเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตาย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 ก็ดูแยกอาการสามสิบสองออกมาออกมากองไว้เป็นกองกองเอาผมออกมาไว้กลองหนึ่งเอาขมเอาเอาขนมากองไว้กองหนึ่งเอาเล็บแยกออกมาเอาฟันแยกออกมาเอาหนังเอาเนื้อเอาเอ็นเอากระดูกแยกออกมาเอาอวัยวะต่างๆแยกออกมา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 แล้วเวลาร่างกายนี้ตายไปเขาไปไหนเขาก็กลับคืนสู่ดินน้ํำลมไฟไปร่างกายถ้าถ้าตายไวแล้วปล่อยทิ้งไว้เฉยๆน้ําก็จะต้องไหลออกมาลมก็ระเหยออกมาไฟก็หายไปทิ้งไว้นานๆร่างกายก็จะแห้งกรอบไปแล้วต่อไปก็เปื่อยผุ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 นี่คือร่างกายของพวกเราทุกคน <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนี้เป็นเพียงอาการสามสิบสองที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟนี้เข้ามาทางร่างกายได้อย่างไรก็ลมที่เราหายใจเข้าไปนี้ก็คือธาตุลมน้ำที่เราดื่มเข้าไปก็คือธาตุน้ำข้าวที่เรารับประทานก็คือธาตุดิน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 เข้าไปสู่ในร่างกายเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็ไปแปลงไปเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันผมจึงยาวงอกขึ้นมาได้เรื่อยๆ mm. เหมือนกับต้นไม้ที่เราปลูกที่มันโตขึ้นมาจากดินได้ mm. ก็เพราะว่าเราคอยเติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆพอเติมน้ำน้ำไปผสมกับดินมันก็ไปแปลงเป็นต้นไม้ขึ้นมา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 ใจก็จะกลับมาได้ร่างกายอันใหม่ถ้ายังมีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายถ้ายังมีกามตัณหาก็จะกลับมาเกิดในกามภพกามภพก็คือภพของผู้ที่เสพกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะนี้ก็มีสองคือ แบบหยาบและแบบละเอียดแบบหยาบก็ต้องมีร่างกายคือร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของเดรัจฉานถ้าแบบละเอียดก็เป็นร่างกายของพวกกายทิ่เช่นของพวกเทวดาทั้งหลายนี่คือเรื่องของใจที่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือการเจริญ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 คำว่าสัตว์บุคคลหญิงชายนี้เป็นเพียงสมมุติที่ใจเราไปสมมุติไว้กับร่างกายต่างๆเท่านั้นเองความจริงของร่างกายนี้ก็เป็นเพียงดินน้ําหลมไฟเป็นเพียงอาการสามสิบสองเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเองนี่คือเรื่องของการพิจารณาร่างกายในส่วนที่เรียกว่าอนิจจัง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 ไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในลาบยศจัจลเสินก็ไม่ยึดติดขันหา้ารูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ยึดติดธรรมอารมณ์ที่มีอยู่ภายในใจก็ไม่ยึดติดปล่อยหมดปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะเจริญก็ปล่อยให้เขาเจริญไปเขาจะเสื่อมก็ปล่อยให้เขาเสื่อมไปแล้วจะไม่ทุกข์กับเขา เพื่อไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่แล้วก็วเป็นอันว่าหมดภารกิจในการบำเพ็ญในการปฏิบัติเพื่อมรักผลผนิพพานนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเราเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นั่นเองถ้าเรายังมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่มีความผูกพันกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่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 แต่ท่านไม่ได้ทำเพื่อตัวท่านแล้วภารกิจของท่านนี้ท่านทำสาเร็จลุล่วงไปแล้วไม่มีภารกิจอะไรที่จะต้องที่จะต้องทำอีกต่อไปสำหรับตัวท่านเองท่านก็เลยเอาเวลาที่เหลืออยู่อย่างพระพุทธเจ้าก็ตัดสรนุในขณะอายุที่ 35, สามสิบห้าพรรษาก็หลังจากนั้นก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่สี่สิบห้าปีด้วยกันในการ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 ก็ทรงเร่งญานดูว่าวันนี้จะไปสั่งไปโปรดไปสั่งสอนใครดีบุคคลใดสมควรต่อทมที่จะทรงสอนพระองค์ก็จะม่วงไปสู่บุคคลนั้นแล้วก็ส่งออกบินทบาทเพื่อเลี้ยงชีพนี่คือพุทธกิจห้ากิจที่หลังจากที่ได้ตัดสรุเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว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 อันนี้ไม่มีการบังคับปล่อยให้เป็นไปตามตามอัธยาศัยตามความถนัดภาษาวกแต่ละพระองค์ท่านก็มีความถนัดให้เหมือนกันบางองค์ท่านบางท่านก็สั่งสอนบ า, บางท่านท่านก็ไม่สั่งสอนอย่างพระอัญญาณโกนทัญญะนี้เท่าที่ทราบมาท่านก็ไปไปอยู่คนเดียวในป่าในเขาจนถึงเวลาที่จะ ลาจากโลกก็ออกมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มาลาพระที่อยู่ในสํานักกับพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแค่ว่าเป็นหลงตาแก่ๆรูปหนึ่งก็ไม่ได้ให้ความสาคัญให้ความเคารพจนพระพุทธเจ้าต้องบอกว่านี่เป็นภาษาวกองค์แรกของของพระพุทธเจ้าเขาถึงจะรู้จักท่านแต่ก่อนหน้านั้นท่านไม่ได้ไปเผยแผ่สั่งสอนไม่ได้ไปทาภารกิจอะไรที่ไหน ท่านเก็บตัวคนท่านอยู่ตามนาพังอันนี้ก็เป็นเรื่องของอัยาริยเรื่องของความถนัดเรื่องของบารมีบางท่านก็มีบารมีมากมีคนรู้จักมากอย่างลูกศิษย์ของน้องน้องปู่ม่านนี่แต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันบางองค์ก็มีลูกศิษย์ลูกหามีศรัทธาประชาชนเขารบเรื่อมใสรู้จักมากบางองค์ก็แทบจะไม่มีใครรู้จักเลย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 ภาษา v ก k e รูปนี้จิตใจของท่านมีความบริสุทธิ์เท่ากันหมดมีการหลุดพ้นจากความทุกข์เท่ากันหมดเหมือนคนไข้ที่ได้รับการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บจากหมอจากโรงพยาบาลหมอรับรองว่าออกจากโรงพยาบาลได้ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บแล้วแต่ออกมาแล้วจะไปทำอะไรนี้ก็ขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละคนไข้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 ปราจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเหมือนกันหมดไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดแต่บุญวาสนาวาสนาบารมีที่จะเอามาใช้ในการทําประโยชน์ให้แก่โลกนี้มีไม่เท่ากันนี่คือเรื่องของการปฏิบัติทำเพื่อมรรคผลนิพพานถ้าเราอยากจะได้มรรคผลนิพพานนี้เราต้องพร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียไปอยู่ดีถ้าเราสละเพื่อเพื่อการปฏิบัติธรรมเราก็จะได้มากผลนิพพานเป็นสิ่งตอบแทนแต่ถ้าเราต้องสูญเสียไปโดยที่เราถูกบังคับเช่นเวลาที่เราตายไปเราก็จะไม่ได้อะไรเป็นผลตอบแทนเลยดังนั้นอย่าไปเสียดายอย่าไปรักอย่าไปหวงสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ มันเป็นเหมือนกับกับดักไม่ให้เราได้หลุดออกไปจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พุทธเจ้าทรงตัดไว้เวลาที่ได้ยินข่าวว่าพระมเหสีทรงคลอดราชโอรสปองทรงเปล่งวาจาว่าราหุนราหุนนี่แปลว่าบ่วงท่านบอกว่านี่มาแล้วบ่วงกับดักสัตว์ที่จะดึงสัตว์ให้ติดอยู่ ก, กับการเวียนว่ายตายเกิด พอได้รู้ทัพบว่ามีพระราชโอรสแล้วพระองค์เลยต้องึต้องหนีออกจากพระราชวังในคืนนั้นเลยเพราะถ้าอยู่ต่อไปก็จะต้องถูกบ่วงนั้นรัดคออย่างแน่นอนพ่อแม่นี้รักลูกหวงลูกหวงลูกก็จะติดอยู่กับลูกไปก็จะไม่มีเวลาได้ออกไปปฏิบัติธรรมนี่แหละเราต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง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 จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุ ป, ปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปวเมวะสมิจโตสาพเพปุเรนตตสังกปา จันโทปนาราโสยธามณิโจติอราโสยธาสพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควีนัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีธีคาโยโภวะอภิวาทานศีริตสานิจจังวุทธาปจายิโนจตารุธรมมวาธานติ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 เลยมากราบเรียนถามพระอาจารย์เผื่อถ้าเจออีกผมต้องทําอย่างไรครับก็ให้สักแต่วรู้ไปเท่านั้นอย่าไปสนใจถ้าเรายังบริกรรมพุทโธได้ก็ให้บริกรรมพุทโธต่อไปถ้าไม่ได้บริกรรมพุทโธแล้วจิตนิ่งอยู่เฉยสักแต่วรู้ก็ไม่ต้องทําอะไรให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เป็นอนิจจัง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 ทำยังไงถึงจะถึงเขาและทำได้กี่วิธีคือการทำบุญทินี้ก็ที่นิยมทำกันก็คือเราทำทานถวายทานให้กับพระเล่นใส่บาทถวายประจัยสี่ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ทำแล้วเราก็เกิด <c oughs> ความสุขใจขึ้นมาเรียกว่าบุญ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 เขาก็อย่างมากก็ขอบใจเราแต่เงินนั้นมันไม่มีผลอะไรกับตัวเขาเลยแต่ถ้าเขาเป็นขอทานนี่แล้วเขารอรับส่วนบุญนี้บุญที่เราที่ให้เขานี้จะมีความหมายมากเพราะ็สามารถจะเอาไปซื้อข้าวกินได้เขาอดอยากขาดแคลนเหมือนกับขอทานที่เวลาเราให้เงินขอทานแล้วก็ให้เพียงเล็กน้อยพอให้เขาเอาไป ซื้ออะไรกินยาไส้ได้ไปวันๆหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรับนี่อยู่ที่สถานภาพของเขาสถานภาพของเขานี้ก็เกิดจากบุญบาปที่เขาทําในปัจจุบันเวลาตายไปนี้เขาก็จะต้องไปรับผลบุญผลบาปของเขาถ้าเขาทําบุญมากกว่าบาปบุญก็จะพาเข้าไปเป็นเศรษฐีไปเป็นเทวดาถ้าเขาทาบาปมากกว่าบุญ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 ท่านก็ไม่ทราว่าเป็นเสียงอะไรมาจากใครตอนเช้าก็ไปกราบทูลฐานพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นเสียงของอมาตะอมาตะที่เคยเป็นอมาตะในชาติก่อนนู้นไม่ใช่อมมตะในชาตินี้ชาติก่อนที่ พ, พ, พ, พระเจ้าแผ่นดิ น, เ, นเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วมีอมาตะอยู่คนหนึ่งก็ใช้ออมาตะคนนี้ไปทําบุญแทนท่านให้เงินไปซื้อข้าวซื้อของถวายพระแต่ออมาตะนี้ยักย่อกเงิน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 ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้ก็ได้พูดเยอะถ้บคุณชายเอาละคิดถึงคุณหมูละคิดถึงบะหมี่แล้วเนี่ย อ, อาจารย์พูดถึงอมตะพูดใกล้ๆหน่อ ย, อยใกล้ๆปากอาจารย์ <mit. S 2> พูดถึงอมตะผมก็นึกได้ว่า ถ้าถ้าอมัดเนี่ยหมายกว่าผู้รับใช้ใช่ไหมครับ<อ>ผู้รับใช้ก็จะเป็นดิน<อ>นะฮะอันนี้ผมเนี่ยอยู่กับหลวงตามาสมายัยท่านอาจารย์อยู่ะนะฮะผมก็ยินว่าผู้คนเนี่ก็พูดว่าหลวงตาเนี่ยแต่ก่อนไปไปเป็นพระเจ้าแผ่นดิน<อ>นะฮะผมก็ไม่เชื่อผมบอกพร<อ>ะเจ้าแผ่นดินแล้วมาบวชมาเกิดเป็นพระยังไงพระเจ้าแผ่นดินเขาไม่จะไปรู้ได้ไงใช่ไหมฮะอันนี้ มันก็มีอยู่วันหนึ่งอ่ะท่านองคมนตรีดรเฉาณศิรวันเนี่ยก็เดินมากระหลวงตาเดินมาขนาดขนาดเสานี่นะผมก็นั่งพนมมื อ, อกราบคอยขอพนมมือนั่งอยู่ท่านจะเดินผ่านไปแต่ก่อนที่ทางที่บรรดาลมันมเมตรเดียวไม่ไม่กวา้างพอเดินมาพอเดินมาใกล้ๆครึ่งหนึ่งแค่นี้ท่านก็นชี้มาที่ผมกักระหมัวนั่งพนมมืออยู่ท่านบอกเอเนี่ยด ok ็ตอร์ ไอสองคนเนี่ยแต่ก่อนนี่เป็นอมาต อ, อมาตเราประมาณ น, นั้นผมก็เลยเอออย่างนั้นแสดงหลวงตาเนี่ชาติก่อนที่เป็นก็จะเป็นดีมาอันนี้อันนี้ผมผมว่าาจาย์พูดถึงเนี่ยผมก็นึกได้ว่าเออก็อออได้รับใช้ท่านต่อไงแล้วผมก็ไม่ได้รับใช้เนี่ยครับเราใช้ชาตินี้ไงผมรับใช้แต่แต่หลว ง, งตาถ้าไม่ได้เป็นก็จะเป็นดิเนี่ย เรก็สูงสุดแ่งแอบเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินในธรรมไงพ้าอรหันนี่ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินของธรรมนะเทียบเทียบได้ใช่ไหมได้แล้วสูงกับพระเจ้าแผ่นดินอีกในหลวงยังกราบพระยังกราบพระอรหันต์เลยในหลวงเวลาไปหาหลวงตาท่านก็ไปกราบหลวงตาอยู่อันนี้ผมว่าเออที่แรกผมไม่เชื่อนะมาหลอกกันแต่หลอกให้เราเชื่อ แต่ว่าพอมาถึงนี้พอหลวงตาเดินมาก็ท่านรู้ท่านอ่านใจได้ท่านเราก็เคยบางทีเรามีคำามสงสัยอะไรอยู่ในใจเดี๋ยวท่านก็พูดออกมาเองครับหายสงสัยเลยตอนนี้อาจารย์พูดเรื่องอมานมานไงผมนึกได้แต่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแถมไม่ใช่เรื่องประเด็นสําคัญเลยไม่ค่อยอยากจะมาพูดเดี๋ยวกลัวญาติโยมจะไปหลงไหลกับเรื่องราวเหล่านี้ แล้วจะไม่ไม่ภาวานากันนจะจะมัวแต่จะแล้วเลิกชาติกันจะกปนอันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งก็คุยกันเอ้าเลยตามสบายรับปากไม่ได้เพราะแต่ก่อนนี้ผมอยู่บริษัทเอโซอเนี่ยอันี่ผมก็เป็นประธานชมรมพุทธศาสตร์เอโซอใช่ไหมฮะเป็นเป็นพุธประธานชมรมพุทธศาสตร์เอโซอของเอโซอผมก็ปีหนึ่งเนี่ยบริษัทจะให้ผมห 0,000 ื่นบาทสําหรับพาพนักงานไปทําบุญตามวัด ผมก็พาไปพาไปอันนี้พาไปเรื่อยนะหม ด, หมดจนหมดสตังที่บริ ษ, ษัทให้บาทีเราก็ช่วยกันออกมั่งอะไรบ้างอันนี้วันนี้มาไม่ไมีคืนผมวาฝันนะฮะมันมันฝันเหมือนกับขึ้นหลับครึ่งตื่นอย่างนี้แหละครับว่าผมพาพาหมู่พวกนีไปทำบุญรถบัสสองคันผมอยู่คันหน้าแต่ น, นี้ก็ไอ้วัดเนี่ยผมก็เข้าไม่ถูก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 ภูเขาเนี่ยฮะไปแล้วก็ไปไปผมก็ผมก็มองขึ้นไปข้างบนเห็นเห็นวิมานเห็นวิมานสวยมีไฟแต่ไม่มีไม่เห็นคนนะฮะเห็นแต่วิมานแล้วก็มีไฟเหมือนกับบ้านเปิดไฟไว้งนั้นนะแต่สวยสวยกว่า บ, บ้านไอ้ที่เขาปลูกขายอะไรตรงนี้อ่ะแต่นีผมผมก็ลงลุงนั้นบ้านใครอะอยู่บนอยู่บนเขา่สวยจังเลยนะลุงเขบอกโอ้ ของคุณก็มีหลังหนึ่งว่านะว่าลุงลุงเนี่ยเขาบอกว่าของคุณก็มีหลังหนึ่งนะเอาเวลาคุณคุณตายไปนะคุณจะต้องไปได้อยู่หลังนึงเขาเขาเตรียมไว้ให้คุณแล้วระว่างกันนะเออลงุงเออแต่ผมก็เอแต่เราก็ยังไม่ตายนะในฝันนะยังไม่ตายนะแต่นี้อันนี้อันนี้ตามตามฝันเนี่ยท่านอาจารย์ว่าไงมันมันเป็นกุศ บุญมันมาบอกเราไงว่าเนี่ยเราทําบุญแล้วเราก็จะได้อย่างนี้ล่ะ <Yeah. S 1> ท่านบอกว่าคนที่มีความเมตตาทําบุญตื่นก็มีความสุขหลับก็มีความสุขเวลานอนหลับก็จะฝันดีไม่ฝันลายครับก็นี่แหละเป็นเป็นวิมานเป็นเรือนใจที่ <Yeah. S 1> พวกเราสร้างกันไว้ะ <Yeah. S 1> นั้นขอให้ทาไปเรื่อยๆนะ <Yeah. S 1> มั่นใจว่าเป็นของจริงนะ <Yeah. S 1> ไม่ต้องหลังเลสงสัยอย่าไปคิดว่าทำแล้วจะสูญเปล่า เพราะเราเวลาร่างกายตายไปนี้เราไม่ได้สูญไปกับร่างกายเราต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราจะที่เราได้ทำไว้ต่อไปงั้นขอพยายามทำไปเรื่อยๆผมๆนะผมก็เชื่อเชื่อมั่นอย่างนั้นนะว่าผมผมผมเชือเ่อว่าเชื่อว่าือว่าผมทุกวันผมทาทาบุญทาอะไรมาผมผมอยู่ของตาอยู่รับใช้อะไรนะผมไม่เคยไปคดโกงไม่เคยอะไระอะไรนะผมก็ถือว่าผมก็ได้บุญได้รับใช้ พระผู้ใหญ่แล้วก็ผมก็ไม่กลัวละผมไม่ตายเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่ผมก็ไม่กลัวละตายไงก็ไม่ลงนรกอ่ะว่างั้นเถอะใช่ผมก็ไม่กลัวละใช่ไหมฮะเนี่ยผมก็มั่นใจอย่างนั้นถูกต้องดีสาธุขอให้รักษาความดีไว้เหมือนกับเกลารักษาความเค็มต่อไปอามีคนถามนะทางน้น เดี๋ยวให้ใหผู้ใหญ่ถามฝันเห็นวัศก า, ารครับพระอาจารย์ผมเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกครับอยากจกะเปลี่ยนถามพระอาจารย์ว่าเวลาที่บุคคลที่ได้ธรรมะสูงๆขึ้นไปครับเออจะต้องเป็นธรรมชาติของการยกระดับอย่างเช่นจากปะโสดาบันเป็นพระสกิทาคาหรือพระอนาคาจนไปถึงพระอรหันต์ครับจะต้องเกิดภาวะที่จะต้อง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 เรื่องการเห็นว่าร่างกายไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไปก่อนส่วนพระสกิดาคามีกะผ้านาคามมก็ต้องผ่านเรื่องกามอารมณ์คือต้องตัดความอยากเสพกามได้ส่วนพระลรหันท่านก็จะตัดอัตตาตัวตนที่มีอยู่ในใจของท่านได้ตัดความยึดติดกับความสุขที่มีอยู่ในใจได้อันนี้มันมีข้อสอบ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 เดินนั่งจิตสงบแล้วสว่างวูบขึ้นมาอันนั้นมันเป็นผลข้างเคียงจากความสงบของใจแต่ไม่ใช่เป็นปัญญา ค, ครับแสงสว่างแห่งปัญญานี้ต้องเห็นปลายลักเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วต้องมีดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยถึงจะเรียกว่าปัญญาสาธุครับอหนูอยากจะถามอะไรยื่นมาให้หนูหน่อย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 เวลาดูลมนี้บางทีเราใช้สติมากเมื่อมีสติมากมันก็จะตื่นมันจะไม่หลับแต่ถ้าเวลาเราฟังอะไรหรือเราท่องอะไรไปนี้เราไม่ได้ใช้สติมากพอท่องไปสักระยะหนึ่งแล้วมันสติมันก็หมดมันก็หลับไปฉะนั้นก็อยู่ที่หนูอยากจะหลับหรือไม่หลับถ้าอยากจะหลับก็ให้สวดมนต์พุโทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็หลับถ้าอยากไม่หลับก็ดูลมหายใจไป พอใจยัง่ ล, ลครับเราอยากจะได้อย่างไร อ, อยากจะหลับเลยมีแต่เขาไม่อยากจะหลับกันะจะได้ปฏิบัติทำเยอะๆอะการหลับไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากได้พักผ่อนร่างกายแต่ถ้าการตื่นมีสตินี้จะได้ธรรม ะ, ะครับเีนอะไรอีกไหม ก็เวลาเรียนครับเวลาเรียนตอนที่คุณครูอธิบายแล้วทําไมพอมีสติอยู่แล้วทําไมถึงเรียนได้เวลาไม่มีสติถึงไม่ถึงเรียนไม่รู้เรื่องอะครับก็เหมือนหนูเวลาตักเทน้าําใส่แก้วน้ําเนี่ยถ้าน้ํามันตั้งอยู่เฉยเนี่เทลงไปมันก็จะเข้าไปในในแก้วหมดใช่ไหมถ้าถ้าถ้าแก้วมันเลื่อนไปเลื่อนมาหนูเทน้ําเข้าไปมันจะลงไปในแก้วตลอดหรือเปล่า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 ดันหนูจะเรียนเก่งครับอ่หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับอ่าข่าวธรรมะสัปการ์ท่านพระอาจารย์ที่เครารพอย่างสูงครับอ่าผมจะตรงข้ามกับน้องคนนี้นะครับคือภาวนาพุโทโธเนี่ยนะครับพุโทโธห้านาทีครับหาวบอกแมวเอาฟังนั่นบอ ก, กจะไม่หาวหาวก็ช่างมันแต่ว่าก็ พุโทพโธุทโธจนบางทีขนาดนั่งอย่างเงี้นนะท่านาอาจารย์ครับหลับอา้อาวตายครับหลับละกลับมาใหม่นะครับคือลักษณะอย่างงี้เนี่ยที่บอกว่ามันไม่เฉพาะพุโทโธอย่างเดียวณโมตัดสระเพระคำว่โตัวรหัโตัวประมาณสักสี่ห้าหาวแล้วอยากหลับแล้วนะพระอาจารย์จะแก้ยังไงจะเป็นยังไงหรือว่าเป็นเฉพาะผมคนเดียวเราถือศีลแปดหรือเปล่ปาเวลาที่เราภาวนาเนี่อา้า บางวันเพราะไม่ได้ถือศีลแปดเนี่ยเพราะการถือศีลแปดนี้จะทําให้เราไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปการรับประทานมากก็จะทําให้ง่วงง่ายคัง่วงมากถึงแม้ว่าถือศีลแปดแล้วบางทีมันก็ยังง่วงอยู่ก็ต้องอดอะไรเลือกผ่อนอาหารลงอดนี้ได้ผลเลยใช่ไหมครับได้อดทั้งสามสี่วันดยจะไม่ง่วงเลย ผมได้ผลแค่วันเดียวครับอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนะในใจเนี่ยยังค้านอยู่ท่านอาจารย์พูดบอกจริงเหรอยิ่งหิวนี่มันยิ่งยิ่งไม่มีสมาธิทีมผมก็เลยบอกว่าเอาแค่มื้อเดียวพอแต่พอมื้อเดียวปุ๊บเนี่ยช่วงเงย็นเย็นบออ่ายสมัยก่อนเราทําสมาธิแม้แต่เดินจงกรมเนี่ยมันรู้สึกฟุ้งซ่านเยอะแต่ว่าเออมันได้ผลจริงจร แต่ว่าไม่ไม่กล้าที่จะอดหล่มันครับอาจารย์ก็ต้องดูกำลังเพราะว่าถ้าสติเรามีกำลังน้อยเวลาอดนี่มันจะยับยั้งความคิดถึงอาหารไม่ได้พอคิดถึงอาหารแล้วมันก็จะโหยมันจะหิวขึ้นมาก็จะภาวนาไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติดีเราควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในเรื่องอาหารได้เราก็จะนั่งภาวนาได้อย่างสบายไม่ง่วงครับ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 ผมสังเกตว่าเวลาทําสมาธิอย่างภาวนาพุทโธนะครับอคือมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือหลับมาแล้วเนี่ยอ่านั่งนี่มันเมื่อยไหนอนดีกว่าเพราะว่าพุทโธก็งานเหมือนกันครับหลับพอหลับปุ๊หลับแบบไม่รู้สึกตัวเลยครับท่านอาจารย์ก็ต้องแก้ด้วยเหตุผลจะว่าหลับแล้วมันได้อะไรนั่งแล้วได้อะไรเราต้องใช้เหตุเพราะใช้ผลดู หับแล้วก็มันก็นอนแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่ได้มรคไม่ได้ผลอะไรถ้านั่งนี่เราก็จะได้มรคได้ผลนะให้เราต้องคิดถึงผลที่จะตามมาจากการกระทาของเรามันจะได้แก้ความขี้เกียจได้ครับผมอีกคำถามหนึ่งครับที่เคยถามพระอาจารย์ก็คือว่ า, วาผมเข้าใจมาตลอดว่าเวลาทำสมาธิพอมีสมาธิแล้วเนี่ยคือหลายพระอาจารย์เคยบอกผมว่า เออเดี๋ยวปัญญามันก็เกิดขึ้นมาเองนั่นแหละ mm hmm. ผมก็เลยทํามาเรื่อยๆจนกระทั่งาบางทีเนะี่ยมีสมาธิจนกระทั่งว่าอ่าเคยเคยนั่งเทียนเนา ะ, ะจนกระทั่งแตกเป็นดาวระยิบระยับน้ําหูน้ําตาไหลก็มันยังไม่เห็นว่าปัญญามันมีตอนไหนเกิดขึ้นสักทีหนึ่ง mm hmm. พอท่านอาจารย์มาพูดบอกว่าโอปัญญาคือออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าความเป็นอนิจจัง นี้ผมก็กลับไปคุยกับอาจารย์อีกบอกเอ้ยอย่างนั้นไม่ใช่นั่นคือปัจสนึกไม่ใช่ปัจนาอืมผมก็เลยมากลาวท่านอาจารย์คราวที่แล้ว่นะครับก็ตอนต้นก็ต้องนึกก่อนไงนึกแล้วพอไปเจอของจริงก็จะเป็นปัจนาได้ครับผมตอนนี้ตอนต้นนึกถึงความตายไว้ก่อนพอไปหาหมอหมอบอกว่าจะตายมันจะได้เ อ, อหยุดความกลัวได้ครับตอนนี้รู้นะครับเข้าใจแล้วครับ ถ้าไม่นึกไว้ก่อนเดี๋ยวมันลืมพอหมอบอกจะตายนึกไม่ออกเลยไม่ยอมตายขึ้นมาอย่างเดียวอยิ่งไม่อยากตายยิ่งทุกข์ใหญ่ผมมีแค่นี้ครับ<อ>นนะี่นะมีใครอยากจะถามอยูไ่ไหมถ้าไม่มีก็พอสมควรแก่เวล า, านะอขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด